มาจากที่ไหนกอุงเทครับอมาภาคปฏิบัติทำนบมาภาคกี่วันอ้าวันครับห้าวันเคยมาหรืเปล่าเป็นมาฟังธรรมที่นี่ครั้งนึ่งครับคราวนี้มาอยู่ปฏิบัติทังปีใหม่เลยอะไม่เห็ครับวันนี้วันเป็นวันที่สามแล้วครับวันที่สามอีกสองวันก็กลับอืม ได้ผลอะไรบ้างไหมก็ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ครับเพราะไม่ได้ปฏิบัติเพราะก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติเป็นยังไงถ้าปฏิบัติมันก็ต้องคุมใจคุมความคิดถ้าไม่คุมมันมันก็จะไม่นล่งไม่สงบมันก็จะไม่เห็นผลถึงแี่เราปฏิบัติก็เพื่อให้ใจสงบพอใจสงบแล้วนำความสุขมาให้กับเรา แต่ถ้าเราไม่คุมใจไม่ควบคุมใจด้วยสติปล่อยให้มันคิดไปเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่บ้านมันก็ไม่แตกต่างกันอะไรดงั้นถ้าอยากจะเห็นผลจากการปฏิแบบัติต้องจะลงสติอยู่เรื่อยๆต้องควบคุมความคิดด้วยสติจะใช้พุโทโธคุมก็ได้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจ เวลามันคิดก็บอกว่าอย่าคิดอย่าคิดหยุดคิดคิดไปทำไมคิดไปแล้วได้อะไรคิดแล้วเปื่อยหยุดคิดนะการมาปฏิบัติเพื่อหยุดคิดขั้นที่หนึ่งหยุดคิดถ้าหยุดคิดได้ใจสงบใจมีความสุขแล้วก็จะไปสู่ขั้นที่สองได้อันที่สองก็คือไปปล่อยวาง ความสุขรูปแบบอื่นเคยนอนกับแฟนก็บอกตอนนี้ต่อไปนี้ไม่ขอนอนด้วยกันน ะ, อะขอนั่งสมาธิดีกว่าทำใจใสงบดีกว่ามีความสุขดีกว่าไม่ต้องรอแฟนไม่ต้องอบางวันแฟนก็ไม่พร้อมบางวันแฟนก็พร้อมบางวันก็มีความสุขบางวันก็ไม่มีความสุข ถ้านั่งสมาธิได้ก็มีความสุขได้ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิสูเอาเอาสมาธิดกีกว่าเอาแฟนถ้ามีสมาธิแล้วก็ทิ้งแฟนได้แฟนจะทิ้งเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีสมาธินี่เดือดร้อนก็ยังต้องใช้แฟนอยู่ต้องอาศัยแฟนถึงจะมีความสุข ถ้าไม่มีแฟนปั๊บก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีใช่ไหมที่ทุกกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าต้องไปพึ่งคนอื่นให้ความสุขกับเราแทนที่จะหาความสุขในตัวเราเรากลับไปหาความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นจากเครื่องเดิมจากขนมจากของกินของดูของฟังของเล่นอะไรต่าง พอไม่มีมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นนั่งเฉยๆหยุดคิดใจนิ่งสงบก็มีความสุขแล้วง่ายกว่าการเยอะไม่วุ่นวายไม่ต้องไปหาข้าวหาของหาคนหาสิ่งต่างๆมาไม่ต้องเดินทางกันไปไกลเนี่ยปีใหม่นี้ไปกันทีงไหนไม่รู้เนี่ย ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปฮ่องกงไปอ เ, งอเมริกาอเมริกาไปแล้วเป็นไงก็เหมือนเดิมไปแล้วก็อยากจะกลับพอไปแล้วก็อยากจะกลับพอกลับมาแล้วก็อยากจะไปใหม่มันก็อยากไปอยากมาอยูน่นี่ไม่เคยสงบสักทีอยู่ตรงนี้ก็ไม่สุข ต้องไปตรงนูน้นพอไปถึงโน้นก็ไม่สุขอีกละกลับมาทางนี้ดีกว่ากลับไปกลับมานี่คือความสุขที่พวกเราหากันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้ไปพอไปถึงก็อยากจะกลับละมันหลอกเราว่าไปแล้วสุขไปแล้วสนุกพอไปแล้วไปเจอปัญหาก็อยากจะกลับ โรงแรมที่พากจองไว้ไม่มีซะ้เต็มซแล้วอายุแต้องหาที่พักกาอุ่นน่ยงมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าที่มาปฏิบัติกันก็เพื่อทำให้ใจเรามีความสุขกันแต่ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดไม่หยุดความคิดมันไม่มีวันสุขได้ ยังต้องหัดใช้สติหยุดความคิดเวลาคิดอะไรพอได้สติก็คิดไปทำไมหยุดคิดไม่ดีกว่าแล้วอย่าคิดมันจะคิดกระสู่มันอย่าคิดอย่าคิดเอ๋ออย่าคิดดูสิจะหยุดมันได้ไหมเดี๋ยวมันก็ชวนเราคิดคิดแล้วดีนะได้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่คิดแล้วไม่ได้อะไรนะมันก็จะหลอกเราอีหลอกให้เราคิดต่ออ อย่าคิดไม่ได้อะไรดีกว่าได้อะไรได้มาแล้วก็ต้องทุกขกับสิ่งที่ได้แั้นได้แฟนแล้วเป็นไงทุกข์กับแฟนไหมได้เงินแล้วทุกข์กับเงินไหมเวลามันหมดทุกข์ไหมเวลาอยูก่กลัวมันหายงั้นอย่าไปมีอะไรดีกว่าพอได้อะไรมา เดี๋ยวมันก็ไปมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแต่ความสงบนี่อยู่กับเราไปตลอดมีความสงบแล้วอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเพึ่งใครจะให้มันสงบได้ต้องหยุดความคิดจะใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ใช้สวดมนต์ไปก็ได้ บทสั้นบดยาวไปก็ได้ท่องไปในใจไม่ต้องออกเสียงพุทธังสารานังกัจฉามิทำมังสารานังกัจฉามิเหมือนร้องเพลงในใจนะเราร้องเพลงในใจได้เป่าเราก็สวดเป็นภายในใจได้สวดอิติปิโสไปเ ร, เรื่อยก็ได้เราเสั้นๆเอาพุทธโทธคําเดียวก็ได้เอาสามคำก็ได้พุทธโทธธรรมูสังโฆก็ได้ ให้มันมีอะไรทํามันจะได้ไม่ไปคิดนะอล้เดียวมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบมีใครอยากจะถามอะไรนะมมาคนเดียวนะเหรอเวลามาวัดมาคนเดียวเวลาไปเที่ยวไปเที่ยกันหลายคนเดียวยากเลยเวลาไปทเที่ยวนี่ชวนกันง่ายนะ ชนมาวัดนี่ชวนกนยากอ่ะมาหลายคนแล้วเดี๋ยวจะไม่ค่อยได้มาร อ, อคนอุ้นรอคนนี้อนถอาถ้าชวนมาวัดนี่ยากว่ดมาวัดจะมาคนเดียวมันง่ายกว่าแต่ไปเที่ยวนี้โอ้ชวนกี่คนก็ไปหมดนะยิ่งถ้าจ่ายค่าใช้จ่าย ใ, ให้โอ้แทบจะต้อง จะต้องเบรกอพอแล้วมากเกินไปแล้วใจของพวกเรามันยังชอบเที่ยวกันไม่ชอบความสงบกันไม่ชอบวัดกันชอบเที่ยวถ้าจัดโปรแกรมไปเที่ยวนี่จองกันเต็มหมดจัดโปรแกรมไปปฏิบัติทรรมนี่หลงเลงเนี่นย ที่เต็มนะใช่ไหมคสถานปฏิบัติธรรมที่เต็มเร็ววารีสอนอีต้องจองล่วงหน้าต้องใส่เส้นด้วยเต็มแล้เพราะวต้องไปหาที่ที่วัดิาถอนผมเลยพอดีเห็นที่ที่เราเอารูปไว้จารลงให้บอก เดี๋ยวเซวันมาปฏิบัติทํากันดีก่อนจุดคิดได้จริงเราได้มาปฏิบัตินะเนี่ยมีสวนสวนในเมืองเนี่ยสวนในเมืองพัทยาในสวนอ <c oughs> ตอนนี้มีที่อยู่ได้กี่คนไหมล่ะสิบคนได้แล้วมั้งแต่ว่าจะเป็นสิบสามก็ได้ทำเท่ากันหมดอ๋อจะอีกสองวันเจ็ดสามพฤศจิ ได้ได้อยู่กันได้กี่คนมากกว่าน่าจะประมาณยี่สิบได้ยี่สิบคนคนละหลังเลยะคนละหลังคังค่ะอ่ไม่ยี่สิบหลังนีง้แหะอะะะอะส่เอ่อจะจะมีส่วนกลางด้วยแล้วก็พาที่ดูแล้วปีใหมนะ่จะให้กามเป็นลอ๋อกลางเต็นแวส า, าัสามหลังถ้ามีคนเยอะๆต้องมีคนนำถ้าไม่มีคนนำเดี๋ยวก็เท่ใช่ไหม นำพานั่งปฏิบัติไม่ต้องสวดมากก็ได้สวดอาลางสามมาก็พอแต่แล้วก็นั่งเลยนั่งดีกว่าสวดสวดพอหอมปากหอมคอนั่งหรือเปิดธรรมะฟังไปฟังเทศไปสายปฏิบัติจะไม่นิยมสวดกันมาก จะนิยมฟังเทศกันแทนเพราะการสวดนี่ก็สวดคําเทศของพระพุทธเจ้าเนี่แหละแต่เราไม่เข้าใจความหมายก็เลยไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราคําสอนพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาถ่ายทอดอีกทอดนึ่งนี้ฟังแล้วก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความสงบเพราะทํานี้จะไม่ทําให้ใจเกิดความอยาก เสียงธรรมนี่จะทำให้ใจปราศจากความอยากฟังแล้วใจก็เย็นสบายมีความสุขแล้วก็ได้กําลังใจได้รู้เหตุรู้ผลว่าถ้าเราทําอย่างนี้เราก็จะได้อย่างนี้ถ้าเรามีสติเราก็จะได้ความสงบถ้าเรามีปัญญาเราก็จะตัดกิเลสได้ ตัดความอยากได้ตัดความหลงไนดะ้ของพวกนี้มันมันจะต้องพร้อมด้วยหรนะคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าบางทีพอเราเชิญชวนเขาไม่ไม่ได้เรียกเชิญชวนหรอนะแต่ว่าอธิบายเริ่มเริ่มคือให้เขาเข้าใจบ้างพื้นฐานเล็กน้อยกับให้เขาปล่อยวางคือบางทีเขาก็ยอมรับว่าเวลาปล่อยวางแล้วมันจะสบายมันจะเบา แต่พอถึงเวลาที่เขาดาเนินชีวิตประจําวันของเข า, เาไปจริงๆไปเจอปัญห า, เ, าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราพูดคาเดิมคือปล่อยวางาไปเถอะเขาก็จะบอกว่าปล่อยวางได่ในชีวิตก็ยังคงต้องหาเงินพ่อก็ยังคงต้องแบบต้องกินต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยจังหะก็เลยว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเขาด้วยหรือกปล่าหรือว่าจะต้องทํำยังไงสังหวะคือถ้าต้องหาก็ต้องหา หาปากหากินมันก็ต้องหากันทุกคนพระก็ต้องหาเองแต่ว่าจะหาขนาดไหนอใช่ไหมหาพอกินหรือหาเผื่อไว้อีกสิบปีเนี่ยมันเยอะงคนชอบหาเผื่ออีกสิบปียี่สิบปีแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงอีกสิบปียี่ิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้เอแล้วก็ไปเครียดกับมันจนเกินไปเพราะมันมากกว่ากําลังที่เราจะหาได้เก็หาตามกําลังสิหาตามกําลังของเรา แล้วก็อย่าไปคาดกันเลยว่ามันจะอยู่อีกยี่สิบปีอีกสามสิบปีอาจจะอยู่ก็ได้อาจจะไม่อยู่ก็ได้ถ้าเราหาวันนี้ได้พรุ่งนี้เราก็หาได้อล่ะทําไมต้องไปกังวลอีกยี่สิบปีข้งหน้าถ้าหาไม่ได้มันก็ถือว่าจบแล้วก็ถือวันจบของเราอยู่แล้ววันจบต่อให้มีเงินอยู่ได้ยี่สิบปีมันก็ไม่ได้อยู่อยู่ดีถ้าถึงวันจบของมัน อันนี้มันต้องคิดกันเองถ้าคิดไม่เป็นก็อย่าไปบังคับกันคิดเด็ดมันเป็นเรื่องของของแต่ละคนที่เนียเขาถึงแยกคนฉลาดกับคนโง่คนโง่ชอบสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองคนฉลาดก็จะผลิตแต่ความสุขให้กับตัวเองคิดด้วยการปล่อยวางมันก็สบายเป็นความสุขคิดด้วยความยึดติดมันก็ทุกข์ไป สักวันหนึ่งเขาก็อาจจะเห็นความโง่ของเขาได้แล้วเขาก็จะฉลาดขึ้นมาเองคนเราต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดต้องผิดก่อนถึงจะรู้ว่าถูกถึงจะทําถูกได้ก็เราก็มีอะไรก็คุยกันไปแนะนํากันไปอย่าเอาแพ้ชนะกันออพูดให้เขาได้ยึดได้ยินได้ฟังเนี่ยวันนี้ก็พูดแค่นี้ก็คิดว่าเราก็ได้ทําหน้าที่เขาก็เข้าใจก็ดีใจเขาก็เข้าใจ แต่การที่จะเปลี่ยนใจคนนี้มันไม่ใช่ของง่ายเพราะใจมันมันเป็นปนิสัยสันดานไปเคยคิดแบบไหนเคยทําแบบไหนมันก็จะคิดแบบนั้นทําแบบนั้นอยู่ๆจะมาให้มันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บนี่มันยากนอกจากคนเก่งคนฉลาดอย่างองค์คุลิมาเนี่ยเก่งคิดฆ่าคนอยู่เรื่อยๆฆ่ามันต้องเก้า้อยเก้าสิบเ้าคนพอเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกให้ hey, คิดแบบนี้ไม่ถูกนะคิดแบบนี้มีแต่ไปนรกนะ ไม่ได้ไปนิพพานถ้าจะฆ่าต้องฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนคนฆ่าคนต้องไปนรกถ้าจะไปนิพพานต้องฆ่ากิเลสคพูดแค่นี้เขาก็เข้าใจเขาก็เลิกฆ่าแล้วก็กำอาหารฆ่ากิเลสค่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงพอไม่มีความโลภโกรธหลงจิตก็ถึงนิพพานนะ เราต้องเปลี่ยนนิสัยเราทุกคนเนี่ยนิสัยเราของเราเป็นนิสัยของกิเลสนิสัยของเราทุกคนมีความโลภความโกรธความหลงด้วยกันนะถ้าเราไม่กําจัดความโลภความโกรธความหลงมันก็จะดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดดึงให้เราไปหาปัญหาดึงหาวุ่ น, ว, นวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็ทุกข์ก็มาอีกได้มาแล้วก็หวงก็หวง ก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆไม่จากเราไปแล้วพอมันจากเราไปก็ทุกข์อีกความโลภมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์พาไปสู่ความโกรธพอโกรธแล้วเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องมีเราวทำบาปทำกรรมกันอีกเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยสามตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราต้องมาฆ่ากันถ้าฆ่าโลภโกรธหลงนี่ไม่ผิดศีลเนะี่ยไม่ได้ห้ามน ปานาติบานี่ค่าห้ามฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์แต่ฆ่ากิเลสนี่ฆ่าได้ยิ่งดียิ่งฆ่าได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมันโลภปั๊บก็ฆ่ามันเลยมันมันโลภปั๊บก็ฆ่ามันเลยคำว่าโลภก็คืออยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นนี่ไม่ถือว่าโลภแทนถึงเวลาต้องกินข้าวอยากกินข้าวไม่โลภ แต่ถ้ากินมากเกินไปก็โลคถ้ากินพออิ่มก็ไม่โลคถ้ากินมากเกินไปก็ถือว่าโลคแล้วกินพอประมาณกินพอให้ร่างกายอยู่ได้กินเหมือนกินยาเวลากินยาแล้วไม่โลคนะไม่คว้ามันทั้งกระปุกก่อบมันใส่ปากไว้ทั้งกระปุก่ะใส่ขนมนี่ไม่ได้มีในกระปุกเท่าไหร่ก็ ใส่ปากหมดเลยในชะ่ไหน่าโลภก็นเลยว่าโลภน่อยากเปโลภพราะโลภแล้วมันไม่พอด้วยโลภแล้วมันยิ่งอยากโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพาให้เราเนี่ยต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความโลภเนี่ยเพราะใจมันไม่พอใจมันไม่หยุดโลภพอไม่มีร่างกายอนนี้มันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ พรความโลภมันต้องใช้ร่างกายอยากจะกินขนมนก็ต้องมีปากใช่ไหมได้มีปากก็ต้องมีร่างกายร่างกายของมนุษย์ก็ได้ร่างกายของสุนัข ก, ก็แหละสุนักขกับมนุษย์ก็ไม่ต่างกันในเรื่องความโลภอยากกินเหมือนกันใช่หไหมโยนคะโยนอะไรให้หมานี่มันแย่งกันไหมนคนก็เหมือนกันพอโยนอะไรให้คนนี่แย่งกันไหม ถ้าไม่มีความโลภก็ไม่จะไปแย่งอะไรไม่จะเอาไปทํำไมไม่มีความโลภจิตใจมันอิ่มนะมันไม่หิวมันถึงไม่แยะมันถึงไม่โลภที่มันโลภเพราะมันไม่อิ่มที่ไม่ไม่อิ่มเพราะไม่สงบมันต้องทําให้มันสงบใจมันสงบก็ต้องหยุดคิดแต่หยุดคิดก็ต้องมีสติต้องมีพุทโธมีบทสวดมนต์ สวดไปทั้งวันได้ตับรองได้จะจะไม่มีความโลภเกิดขึ้นแต่พอหยุดเมื่อไหร่ปับ๊บเดี๋ยวมันก็โลภขึ้นมาทันทีแต่ต้องพยายามถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะสู้กับความโลภความอยากได้พอมันโลภปับ๊บเราก็พูดโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมละลืมเรื่องที่เราอยากได้ละความโลภ ก, ก็หายไปเราก็หยุดพุดโทโธได้ พอมันลืมนะมันไม่โลบแล้วเราก็หยุดเหมือนรถเนี่ยรถถ้าเราไม่ต้องการให้มันวิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรกไว้พอมันไม่วิ่งแล้วเราก็ถอนเบรกได้แล้วพอมันจะวิ่งเราก็เหยียบใหม่ตอนนี้เราต้องใช้พุทโทกันมากหน่อยเพราะตอนนี้มันยังไม่หยุดช่วงแรกๆนี้ต้องใช้พุทโธมากแต่พอมันหยุดหยุดมันได้ต่อไปก็ไม่ต้องใช้ ใช้ตอนที่มันจะคิดเท่านั้นเองหรือต่อไปก็สอนให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราไม่โลภในความคิดของเราคิดทําให้เราโลภ ก, ก็ได้คิดทําให้เราไม่โลภ ก, ก็ได้ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะตายจะโลภ ก, กันไมหมถ้าไปหาหมอหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วโลกนี้ยังอยากจะได้อะไรก็บ่าคิดถึงความตายบ้างสิมันจะได้ไม่โลภ ก, กัน มีใครไม่ตายบ้างเวลารู้ว่าจะตายนี่ไม่ไม่มีใครอยากได้อะไรแล้วใช่ไหม อ, อยากจะได้ความสงบแนละวเพราะเวลามันจะตายนี่มันทุกข์มากทุกข์เพราะไม่อยากตายทุกข์เพราะอยากอยู่ความอยากอยู่ก็เป็นความโลภอีกอย่างะความอยากไม่ตายก็เป็นความโลภอีกแบบหนึ่งมันต้องเฉยๆมันถึงจะไม่ทุกข์ เนี่ยการมาควบคุมใจเองเป็นเรื่องวิเศษมากมีประโยชน์มากจะทำให้ใจเราสบายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเหตุการณ์กับบุคคลกับสิ่งต่างๆกับร่างกายของเราถ้าใจเราสงบได้จะไม่รู้สึกเดือดร้อน <c oughs> ใครจะเป็นใครจะตายใครจะดาใครจะชมใครจะเอาสมบัติเราไป เขามีปัญญาไปได้ค่ะให้เข้าไปถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้สมบัติร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรามีความสงบแต่ถ้าไม่มีความสงบปั๊บมันต้องต้องมีนู่นมีนี่ขึ้นมาทันทีต้องมีร่างกายต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเห็นไหนเมื่อกี้แฟนก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะให้มัน ตั้งกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าใจสงบแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนมันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็เรื่องของมันเราก็ดูแลมันเท่าที่เราจะดูแลได้ถ้ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปห้ามมันได้ยังไงแต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ถ้าเราทําใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไป เวลาใจไม่สบายนี่ท่องพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายเนี่ยคนบางคนที่เขาฟังแล้วเขาเอาไปใช้เข้ามารายงานว่าได้ผลดีมีฝรั่งคนโทนี่อยู่拉斯เวกัสเขาก็ฟังติดตามถ่ายทอดสดแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาถามปัญหาพอหมอเขาไปสอนเข้าไปเขาก็ไปลองทํำดูทําแล้ว ก, ก็เห็นผลดี เวลาพุตโวพุทโตนี่ความกังวลความวุ่นวายใจต่างๆมันเบาลงไปมีโทนี่เข้ามาบอกนี่ยังอันนี้เขาก็ยังไม่เที่ยมคืนนะเาะห้าทุกกว่าห้าทุ่กว่าลาสเวกัสห่างกับเราสิบห้าชั่วโมงตอนนี้ <c oughs> มีคนเข้ามาทางเฟซบุ๊เท่าไหร่แนละ้ว 2อ0ยหสิเหลือสอ1้อยหนึ่งคนสองร้อยหนึ่งต่อไปคงจะหมดมั้งหมดแล้วนะช่วงผมพื่นโทวพี่ใ้ีใหม่ครับอินเทอร์เน็ตมันเล่อีครับช่วงให้เขามาดูหน่อยว YouTube เป็นไง YouTube เมื่อกี้เข้ามายี่สิบกว่าตอนนี้เหลือสิดกว่าคขับนขึ้นขลงเพราะอินเทอร์เน็ตเลยเขาไม่ยาส่คนต้องไปโหลดฟังเสียง้อหลังเราเยะคนใช้กันเยอะช่วงนี้ก็แล้ไปกลังใกล้ปีใหม่ติดต่อกัน บอกออกอากาศด้วยมีคำถามไหมลองลองตอบคำถามหลวงพ่อหลายวันแล้วไม่ได้ตอบเลยวันนี้ให้เวลาเยอะๆหน่อยจังดุดนะมันยานไม่ดี YouTube ดดยู u ูปก็ดูดเหมือนกันมันไปคู่กันนะครับก็ตใช้ร่วมกันมันคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของของเครื่องใช้เขาเครื่องใช้บางทีมันก็เสื่อมได้ ตอนนี้ตอนนี้กำลังกาลังลองอีกวิธีหนึง่งเพราะบางทีมันบางทีเฟ e b o o k แรงบางที YouTube ไม่วิ่งก<อ>็เลยจะสั่ง Pocket w i ไฟตัวใหม่มาใช้ตัวหนึ่งเพราะว่ามันเสียอะไรเงี้ยครับอ่ามันเลือกอยู่มันมีตัวแปรเยอะที่ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวเสียไอไม่วันก่อนนี้ตัวนี้ก็เสียอยู่นี้ก็เสียงหายไปต้องเปลี่ยนสายใหม่เปลี่ยนมใหม่หมตอนนี้ก็ใช้ได้อ น, นิจังไลยคาว่าอนิจัง ไม่เทียงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อซื้อของมาใหม่ๆ ม, มันใช้ได้ดีฮนะพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียแล้วเรียกว่าอนิจังทุกอย่างเป็นอย่างนี้ในชะ่ไหมเสื้อผ้าซื้อมาใหม่ๆก็สวยสดงดงามใช้ไปซกักไปเนี๋ยวมันก็จางแล้วอารมณ์ของเราก็นิจังเวลาเห็นในร้านเนี่ยอยากได้ พอได้มาอยู่ในตู้แล้วก็เบื่อแล้วชอบเอาของคนอื่นของตัวเองไม่ชอบเอาพอเป็นของของเราแล้วกลับไม่ไม่แยแสแล้ไม่สนใจอ <c oughs> ารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกอย่างไม่เที่ยงหมดนั่นอย่าไปเอาอะไรกับพวกนี้เลยจะวุ่นวายปวดหัวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่ย เอาของที่ไม่เปลี่ยนดีกว่าเนี่ยเอาความสงบเนี่ยไม่เปลี่ยนลองทำสงบแล้วมันก็จะสงบของมันไปอย่างเดียวะจะกลับก็เลยอ๋อะจะเข้าห้องน้ำาหมอ๋อแช่เอาเก้าอี้ I, มานั่งก็ได้เขาเา่อ๋อ น, นั่งตรงนู้นก็ได้นั่งตรงบันไดนั่งก็ได้ u n d e r s t o n t u n d e r s t e p เนาะเนาโอเคมาแล้วเลยคำถามจับคุณจารุวัฒน์อยากขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าระหว่างนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนจิตไปรวมอยู่แถวแถ ว, แถวกลางกระหมอ่อมแต่ไม่ได้ปวดหัวอยากทราบว่าควรนั่งต่อไป และอยู่การลมหายใจหรือควรหยุดทำสมาธิครับเพราะเคยได้ยินว่าจุดกระหม่อมเป็นจุดสำคัญมากจะเป็นอันตรายไหมครับอ๋อไม่เป็นหรอกความรู้สึกมันหลอกเรามันไม่ได้เป็นที่กระหม่อมมันเป็นในใจเราจิตมันหลอกเรานั่งสมาธินี้ถ้ายังไม่สงบก็ต้องนั่งไปจนกว่ามันจะสงบไม่ว่าจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจ มันไม่มันไม่เป็นมันไม่มีความสําคัญมันไม่มีมันไม่เป็นพิษเป็นภัยถ้าเราไม่ไปหลงไปคิดไปวุ่นวายไปกับมันมันจะเป็นรู้สึกยงไงเราก็พุทโธพุทโธของเราไปแล้วดูลมไปอย่าไปสนใจพอมันมันดึงเราไปแล้วรีบดึงมากลับอย่าไปอยู่อยู่กับมันอยู่กับมันแล้วเดี๋ยวมันคิดคิดแล้วเดี๋ยวมันก็กลัวคิดแล้วเดี๋ยวมันก็อไม่มีสมาธิมันก็จะนั่งไม่ได้ เวลานั่งสมาธินี่ให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวหรือพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจแล้วก็อย่าหยุดหยุดจนกว่ามันจะสงบมันนิ่งมันสบายเนั่งก็หยุดได้เวลานั่งต้องมีอะไรควบคุมใจอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆมันมักจะเกิดออารมณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันจะไม่เกิดเนื้อเกิดเราก็อย่าไปสนใจอ อยู่กับลมก็อยู่กับลมไปดูลมไปดูแค่เข้าออกเข้าออกแค่นี้มันยากตรงไหนนั่งดูลมแคน่นี้นั่งดูทีวียากกว่ายังดูได้นะนั่งดูทีวีนี้จ้ังเขมนะ่งเลยไหมใครเรียกก็ไม่ได้ยินนะแต่เด็กเล่นเกมนี่มันนั่งกดเขมนันยืเนี่ใครเรียกมันก็ไม่ได้ยินนะแต่มันมีสมาธิแต่สมาธิที่ไม่สงบเท่นเองคำถามจาก รับดาการติดฟังธรรมะเป็นกิเลสไหมคะอ๋อไม่เป็นการฟังธรรมะนี้เป็นยาเป็นประโยชน์ยิ่งฟังนิ่งได้ประโยชน์ฟังแล้วได้ความสงบแต่ฟังอย่างเดียวก็เป็นกิเลสได้เพราะการฟังนี้เพื่อให้เอาไปปฏิบัติต่อถ้าฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติติดอยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าฟังเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไร เราก็แล้วเราเอาไปปฏิบัติต่อเราก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นการฟังก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งฟังแล้วจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่มันยังน้อยกว่าความสงบที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยเวลาฟังแล้วเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติต่อการฟังธรรมนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนดูแผนที่ เราจะเดินทางไปไหนเราเปิดแผนที่ดูก่อนเราจะได้รู้ว่าทางที่เราจะไปไปอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ต้องออกเดินทางถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าต้องการให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเมื่อได้ดูแผนที่แล้วก็ต้องออกเดินทางการฟังเทศก็ฟังเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรการจเจริญสติเป็นอย่างไรการนั่งสมาธิทําอย่างไร การพิจารณาให้เกิดปัญญาทำอย่างไรทำเพื่ออะไรบางทีบางคนปฏิบัติยังไม่รู้ทำเพื่ออะไรเลยทำเพื่อใจให้สงบทำให้ใจปล่อยวางทำให้ใจไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆคำถามจากคุณสิริกัญญานะครับตอนนี้หนูเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีด้วยความที่เก่งไม่เท่าเพื่อนที่มาด้วยเลยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนตลอดเวลามีความรู้สึกโกรธที่เขาเรียนเก่งกว่าเรียนเก่งกว่าทำอย่างอื่นได้มากกว่าหนูพยายามจะไม่คิดมากฟังธรรมะนั่งสมาธิเช้าเย็นไปวัดเมื่อมีโอกาสแต่ก็ยังละความโกรธความขี้อิจฉาความน้อยใจไม่ได้เลยค่ะ ตอนนี้เป็นทุกข์มากๆที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหนูควรทำอย่างไรดีคะถึงจะหลุดพ้นจากความคิดแบบนี้และใช้ชีวิตและเรียนอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขค่ะก็ <C SU> คิดว่าความสามารถของแต่ละคนนี่มันเกิดจากการที่เราสะสมมันมาในอดีตมันเลยทำให้เรามีความสามารถต่างกัน นั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ว่าเขามีความสามารถมากกว่าเราเราอย่าไปวัดกับเขาวัดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรวัดตัวที่ตัวเราเองดีกว่าวัดว่าเราเราเรียนแล้วเราตกหรือไม่ตกแค่นี้ก็พอเรียนขาให้เราผ่านก็ใช้ได้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะสบายใจ เพราะว่าเรื่องของบรารมีนี้มันแข่งกันไม่ได้แข่งลดแข่งเรือยังพอแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาบรารมีนี้มันต้องสร้างกันในเมื่อในอดีตเราไม่ได้สร้างวาสนาบรารมีมาเช่นปัญญาบรารมีวิริยะบรารมีขันติบรารมีถ้าเราไม่มีบรารมีเหล่านี้เราก็จะเรียนหนังสือไม่ค่อยตั้งใจเรียนเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้เคยมีปัญญาบรารมีมี วิริยะบารมีมีขันติบารมีเราก็จะสามารถเรียนได้ด้วยความอดทนแล้วก็ขยันเรียนแล้วเวลาเรียนก็จะเข้าใจง่ายเพราะมีปัญญาเฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบารามีที่เราสะสมกันมาที่ไม่เท่ากันเราดูสิว่าคนเราทาไมถึงไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทำไมบางคน รวยกว่าเราบางคนจนกว่าเราบางคนเก่งกว่าเราบางคนด้อยกว่าเราเพนั้นถ้าเรารู้สึกอิจฉาริอยาคนที่เขาเก่งกว่าเราหันมองคนที่เขาด้อยกว่าเรามากแล้วมันจะทำให้เราไม่น้อยไ ม, ไม่ไม่น้อยหน้าไม่น้อยใจคนที่เขาด้อยกว่าเรามีต้องเยอะคนที่เขาอยากจะไปญ lé, ี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปนี่มีต้องเยอะแยะเราได้ไปญี่ปุ่นเราเก่งกว่าคนอื่นต้องเยอะแยะทํา ไ, ไม่คิดอย่างนี้บ้าง ใช่ไหอต้องมองให้มันครอบครับถ้าเวลาเราชลาละใจขี้เกียจนี่เราควรจะมองคนที่เขาเก่งกว่าเราเราจะได้พยายามอา่ผลักตัวเราให้ขยันขึ้นให้เก่งขึ้นอแต่ถ้าเรามองเขาว่าเขาเก่งกว่าเราเราสู้เขาไม่ไหวก็หัดมองคนที่เขาด้อยกับเราแล้ว เ, เราก็จะรู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่เร็วนะอใช่ไหอ คนเป็นคนได้ที่สองนี้เสียใจไม่ได้ที่หนึ่งแต่ไม่มองให้คนอีกสามสิบคนที่อยู่ในชั้นนึ่มันมันสู้เราไม่ได้ไม่มองไปแพ้คนเดียวทำให้ไม่สบายใจแต่ชนะต้องสามสิบคนกับไม่ไม่มีความดีใจ ม, มันหลอกเร า, าจิตคิดไม่เป็นกันนะเพระฉะนั้นพยายามมองทั้งข้างบนมองทั้งข้างล่างมองคนที่เขาสูงกว่าเราแล้วก็กลับมามองคนที่ต่ำกว่าเราแล้วถามว่าทาไมคนเราถึงไม่เหมือนกัน เราก็จะได้คําตอบว่าอ๋อมันได้มีความสะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากันเหมือนปลูกต้นไม้อถ้าต้นหนึ่งรด น, น้ามันทุกวันอีกต้นหนึ่งอันรดให้มาอาทิตย์ละครั้งเนี่ยต้นไหนมันจะโตก็เร็วกว่ากันเขาอาจจะเรียนมากกว่าเราทําการบ้านมากกว่าเราเราโวแต่มานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธมันก็เลยก็ <c oughs> เลยสู้เขาไม่ได้ ดูเหตุสถ้าอยากจะรู้ว่าผลแต่มันต่างกันต่างมันต่างที่เหตุใช่ไหมไปถามก็ดูทําเธอทําอะไรบ้างวันหนึ่งเธอเรียนหนังสือกี่ชั่วโมงทำอะไรบ้างแล้วเรามาเปรียบเทียบกับขเหตุของเราเหมือนเข้าหรือเปล่าเอออย่าไปใช้อารมณ์เลยใช้อารมณ์มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างมันขึ้นที่เหตุที่ผลด้วยกันใช่ไหมแม้แต่คนจะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่เหมือนกันเลย บางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่มันจะช้าจะเร็วไม่สําคัญขอให้มันบรรลุก็แล้วกันพอบรรลบรรลุแล้วมันก็เท่ากันเหมือนคนกินข้าวกนอิ่มก่อนก็อิ่มทีหลังพอมันอิ่มมันก็อิ่มเท่ากันใช่ไหมบางคนกินเร็วเคี้ยวเร็วกินเร็วบางคนกินช้าเคี้ยวช้ามันก็อิ่มช้าแต่เดี๋ยวมันอิ่มก็อิ่มเหมือนกันให้คิดอย่างนี้นเราเรียนหนังสือก็ขอให้เราอย่าตกก็แล้วกัน แต่อยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญมันก็ได้ใบประกาศเหมือนกัน <c oughs> ถ้าอยากจะได้ที่หนึ่งก็ไปดูดูคนที่เขาได้ที่หนึ่งว่าเขาทำอย่างไรศึกษาเหตุของเขาแล้วเราเอาเหตุของเขามาทากับเราเราก็จะได้เหมือนกันเพราะผลมันเกิดที่เหตุเกิดเกิดจากเหตุดังนั้นอย่าคิดด้วยอารมณ์นะคิดด้วยปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะสบายใจ อะต่อไปคํถาถามจากคุณซีนีนาะหนูทํางานรับราชการครูพบว่าคนทํางานร่วมอาชีพเดียวกันบางครั้งกินเงินหลวงเล็กๆน้อยๆเห็นแล้วไม่สบายใจเลยควรทําใจอย่างไรดีเจ้าคะก็เรื่องของเขาอ่ะเขากินผักกินหญ้ากินอะไรก็เรื่องของเขาผลที่เกิดขึ้นกมันก็เป็นเกิดที่กับเขาไม่ได้เกิดกับเราซะหน่อยเราทําไมไปยุ่งกับเขาทําไม เราดูตัวเราก็พอว่าเรากินหรือเปล่าถ้าเรากินก็หยุดกินนะหรือปิจฉากเขาเห็นเขากินแล้วเราไม่ได้กินเรอคนจะภูมิใจว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้โกง เ, เขากินเขาโกงก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็รับผลของเขาเองอะไม่ชา้าก็เร็วถ้าไม่ได้รับผลชาตินี้ตายไปก็ต้องไปรับผลต่อไปในชาติหน้า อย่าอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นให้กังวลเรื่องของเราก็พอดูตัวเราเป็นหลักถ้าจะดูคนอื่นดูเข้ามาเปรียบเทียบกับเราดูเข้าแบบเป็นบทเรียนเอป้าอ๋อทําแบบนี้ไม่ดีนะเราอย่าไปทําตามเขาอทําแบบนี้ดีนะอแล้วคนอย่าทำตามเขาแล้วเราก็จะสบายใจคําถามจากคุณพัชราพร์ ปฏิบัติทำอย่างไรจะทําให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เจ้าคะการจะเกิดปัญญาก็ต้องหนึ่งต้องมีสติควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อนถ้าเราใช้อารมณ์แล้วมันจะมันจะทํามันจะทําอะไรเสียหายถ้าอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องเราต้องใช้ใชสติให้จิตมีมีความสงบว่างจากอารมณ์ ถ้ามีอารมณ์มีอาคติมีรักมีชังมีกลัวมีหลงนี่มันจะคิดไปในทางผิดเนีนเราต้องฝึกสติก่อนให้มีสติพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจเราจะว่างใจเราจะไม่มีอารมณ์แล้วพอเราคิดอะไรก็คิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาคงถามจากคุณจินดา อยากเรียนถามว่าเมื่อปลวกขึ้นบ้านทําความเสียหายเราก็จําเป็นต้องลอยากรรมจัดปลวกสะบาปไหมครับถ้าบาปก็ต้องปล่อยให้ปลวกทําความเสียหายต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราเราจะปล่อยให้ปลวกทําก็ได้หรือเราจะทําบาปก็ได้ทําบาปก็มีผลตามมาไม่ทําบาปก็ไม่มีผลบาปทํามา <c oughs> บ้านเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีเราตายไปมันก็เราก็เอาไปไม่ได้ เราจะโยนบาปให้คนอื่นก็ไดค้คนที่เขาอยากจะทำบาปก็มีเนี่ยเปิดหนังสือพิมพ์หรือเสบบริการกาจัดปลวกเนี่ยเขาเสนอตัวแล้วเราไม่ต้องทำบาปเองไม่ได้จ้างถามเขาสิอย่าไปจ้างเขาสิอย่าไปอย่าไปพูดจ้างวานถามเขาเฉยๆที่บ้านมีปลวกจะทำาไงดีข้าวอส า, านี่ไม่เรียกว่าจ้าง เขาอาสาแล้วเราก็ให้ตับแทนน้ําใจให้เขาไปไม่ได้สั่งถ้าสั่งก็ต้องบอกช่วยไม่กาจัดปลวกให้ที่บ้านหน่อยสิทายพูดอย่างเงี้ยสั่งแต่ถ้าบอกเขาว่าที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้าเขาบอกเดี๋ยวผมจัดการให้อย่างเงี้ยเราไม่ได้สั่งใช่ไหมออาภารบางทีก็ต้องพูดอย่างเงี้ยพระตัดต้นไม้ไม่ได้บางทีต้องให้เดโยวตัดให้ก็บอก นี่ยต้นไม้กิ่งไม้มันมาติดลังคาเดี๋ยวกะเบื้องแตกโยมพอพูพาพระผู้นี้โยมก็รักาละเดี๋ยวผมตัดให้เนียพระไปสั่งให้ตัดไม่ได้สั่งให้ตัดก็ผิดอย่างเวลาญาติโยม ถ, ถ, ถวายของที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกผลไม้มีเมล็ดอย่างเงี้ยตามหลักนี้ต้องฆ่ามันก่อนถึงจะถวายพระได้วิธีฆ่าก็คือเอาเม็ดออก หรือบางทีได้โยมยั ง, ย, ง, ย, งยังไม่ได้เอาเม็ดออกพระก็จะถามโยมก่อนวนะ่าโยมอ่าทําให้พระฉันได้หรื อ, อยังพอพอโยมดูว่าอ๋อยังทําไม่ได้เขาก็เอาไปทำํำให้ฉันได้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ทําแบบต่ อ, เ, อเม็ดออกของเราก็เพียงแต่ฉีกเบามันออกมาก็ถือว่าฆ่าแล้วทําเป็นตัวอย่างหน่อยอันนี้เป็นทําเนียมของผ้าป่าแต่บะผ้าบ้านไม่มีแถว น, นี้ไม่ได้ใช้กันก็เลยไม่ได้ใช้ พอบอกแกอมมุโมงค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันต้องพูดด้วยอุบายน ะ, ะทำให้สมควรกับการบริโภคหรืออย่างยงงงสมควรยังไงวะก็ฆ่ามันไงแต่สั่งไม่ได้สัง่งไงสั่งให้ฉีกป อ, อกเปลือกออกมาถ้าฉีบมันออกมาก็ถือว่ามันตายละหักมันถ้าเป็นผักที่มันยังโตได้มีผักบุ้งผักบุ้งก็หักมันสหน่อยอันนี้เป็นพิธีนะท่านทาเพื่อให ให้ไม่ให้ชาวบ้านเขาตําหนิว่าพระฆ่าของในชีวิตเพราะยังถือว่าพวกผักพวกอะไรนี่เป็นของมีชีวิตอยู่พระค่าไม่ได้กินไม่ได้นีก็เลยต้องให้โยมค่าให้ก่อนเนี่ยแตเลยถามโา ย, ยมจัด ก, การเรียบร้อยหรอยังแต่พูดตรงๆไม่ได้โยมค่ามันหรือ ย, อยังท น, นี้แ ม, ม่สาวก็เหมือนกันได้ช่วยยกครับริษัทกาจัดแม่สาว อะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้ามีคนเขาเขาจะอาสาทำให้กับเรื่องของเขาเขายังไม่ถือว่าบาปสำหรับเขาก็ถือว่าเป็นอาชีพเรื่องปากเรื่องท้องของเขาไม่เขาไม่ทำที่นี่เขาก็ไปทำที่อื่นอยู่ดีเขากลับดีใจเสียอีกว่าเราไปติดต่อเขาเป็นยังไงหลังไม่ดีเหรอคุณก็ขาดเกิดหลงแเราไม่สําเล็จาอ่า อยู่กับมันไปอย่าไปวุ่นวายกับมันอพ่อ ล, ลูก็ะไรยัยแต่อยู่กับคุณพ่อที่ลางแสร์นะคะก็จะดูแลพ่อนั่งตามสบายนะถ้าอยากจะนั่งก็นั่ง น, น, น, นั่งยังไงก็ได้ ไ, ไ, ดไ ม, ไม่ไม่ถือไม่ถือว่าไม่เครารพหรอกนะเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อก็ล้มทุกคืนเลยอ๋อ กต้องพยุงใช่อ่าจะทให้เวลาพยุงพ่อก็เหมือนกับก็ดูความดูสังขารพ่อแล้วก็สังขารเราต่อไปแล้วก็เป็นเหมือนกันนะจับที่กัดจับทีัดเไงเคซีโอเคคับโอเคนะฮะ เคซโอเคโอเคเคซีเคโอเคเดซี่ช่วงที่พอไปบางแสนเจอผู้ฝรั่งที่มาจากฮาวายแล้วก็พอรู้โปรแกรมการเรียนของเคซี่เลยต่อได้ดีเดซี่ตอนนี้พูดพูดนังกินได้แล้วหรอยใช่ค่ะโอเคแล้วโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าโอเค โอเคโอเคแปลว่าดีเนี้ยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างโอเคแล้วร่างกายมันก็เป็นอย่างเนี้โยมอรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอใจเราไม่ต้องวุ่นวายไปกับมันใจเราเฉยๆแล้วจะไม่ไม่ทุกข์ ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะทำให้เราทุกข์มากเองก็ทำให้มันดีที่สุดก็แล้วกันมันจะหายไม่หายมันก็เป็นเรื่องของที่เรื่องของร่างกายมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องเป็นด้วยกันทุกคนเป็นช้าเป็นเร็วเป็นมากเป็นน้อยถ้าเราแยกตัวเราออกจากร่างกายได้เราจะไม่ทุกข์กับมันเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่าง ใจเราต้องฉลาดอย่างโง่ใจเราอย่าไปทุกข์แทนร่างกายร่างกายมันไม่ทุกข์หรอกนั่งกายมันเฉยๆเจ็บมันก็เฉยๆไม่เจ็บมันก็เฉยๆเพราะร่างกายมันไม่มีความรู้รู้สึกนึกคิดผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดไม่ได้เป็นร่างกายแล้วไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพราผู้ที่ผู้ที่รู้นี่จะทําให้ ดูอย่างสบายก็คือเฉยๆอย่าคิดมากหยุดความคิดนะพุโทโธพุโทโธไปหัดทำสมาธิไปเวลาใจไม่คิดแล้วใจจะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอคิดแล้วมันก็ทำให้ใจวุ่นวายเพราะมันอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันหายนันะถ้าคิดก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปเป็นธรรมดา ถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจมันก็จะไม่ไ ม, ไม่วุ่นวายนะปฏิบัติทุกวันพระเจ้าค่ะก็ เ, กเจอเสษแปะแล้วก็นังสมาธิได้ยาวเย่ทังไงได้ก็ทำไปเม่อกงั้นรถมาปกตินี่เราจะมีตจะมีของลองตาของเม่อก็บคำของหลวงน่เรียนหูเ่เหรียนพอดีมาเจอบทที่หลง่เรียญรั พนเราประมาณอายุเจ็ดสิบห้าเราก็หันไปมองกันพี่เราว่าไม่พากจะรู้สึกอะไรไหรือเปล่าพอดีจังหวะพอดีเอก็เลยว่ามันก็เป็นประโยชน์ ก, ก็พอวิพากษ์ก็เจ็ดสิบกว่าเราไม่รู้หรอกจะอยู่ไปถึงไหนบองคนอายุไม่ถึงสิบก็ไปก็มียี่สิบไปก็มีงั <l ug> ้นมันจะไปก็เรื่องของมันเราไม่ได้เป็นร่างกายท้งอยา่างร่างกายเป็นเหมือนน้นยนที่เราใช้ท่านเอง มันจะพังก็พังไปเราคนขับเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราก็ไปไปหารถใหม่ได้เปลี่ยนรถใหม่รถคันเก่ามันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่ร่างกายไม่ดีแล้วก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ใช่ไหมเคซี่นี่ก็ไปเปลี่ยนร่างกายมาเนี่ยร่างกายของเก่าเขาไม่ดีเขาก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมจำได้เปล่าร่างกายของเก่าอันเก่าเป็นไงจำไม่ได้ใช่ไหม เมื่อก่อนร่างกายของเราก็เหมือนคุณของคุณตานี่แหละออพอมันไม่ไหวแล้วเคซีก็เลยทิ้งมันไปคุณตาเขาเคยเขากินยานอนหลับแล้วก็เคยหลงทิศหลงทางเขนะาจะเข้าห้องน้ำแล้วไปเข้าห้องพักแล้วก็<ส>ไปเข้าห้องพักแล้วก็หลงทิศหลงทางอจำำเจ้าคํำพ่อยิง เวลานอนหลับก็อย่างเนี้แหบางทีสลึจงจเลือยอย่างเช่นแบบคนตาเขาหน้ามึนๆนะครับอา <c oughs> ่าเป็นเวลาที่เรานอนหลับะมึน<ง> ๆ, ๆแบบคนไม่ตื่นอ่าก็เรียกไม่มีสติไงก็ไม่มีสติใช้ทำงานวิจัยแต่ถ้ากลางวันพอจะอ่าก็ให้กําลังใจคุณพ่อนะ <c oughs> จนอย่างก็พวกเราเนี่ยถ้าเราดูแลท่านท่านก็จะมีกําลังใจ ถ้าทอดทิ้งท่านนั้นก็ไม่มีกำใจที่จะอยู่เห็นนั่งคอยดูแลคอยรับใช้คุณพ่อทดแทนบุญคุณของคุณพ่อแต่ว่าตอนที่คุณตาเขาล้ ม, มลูกก็ไปช่วยค่ะใช่เกซีต้องคอยเฝ้าคุณตานะค่ะเขาเคยล้มที่ประต้มตรงประตูค่ะแล้วก็มาล้มตรงมาตรงเตียงอันเล็กค่ะเกซีก็ช่วยคุณตา ใช่ค่ะก็เราทําบ้านที่หน่อยมันวัดไปเลยค่ะซาลาให้มันโลงๆดีกว่าให้มันโลงๆดีกว่าให้พ่อแม่แล้วก็ลูกๆนอนยาวดีอเนี่ยทําแบบซาลาเงี้ยจะได้ไม่มีอะไรมาคอยทําให้ช่าก็งงว่าทําไมต้องทําห้องใหญ่ขนาดนั้นบอกเราจะนอนรวมกันจะได้ช่วยกันได้ไม่อะไรเราะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปจนวาระเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดีถ้าอยู่อย่างนี้นลร่างกายเป็นไรก็มีความสุขสุขทางใจ อ, อ ใ, จใจอบอุ่นใจใจอบอุ่นคนคนช่วยก็อบอุ่นคนได้รับการช่วยเหลือก็อบอุ่นไม่ทอดทิ้งกันนะเอาแล้วนะเดี๋ยวคุณพ่อไปนั่งสบายๆดีกว่านั่งเก้าอี้ก็ได้เคซีตอนนี้อายุเท่าไหร่ละกี่ขวบแล้ว เก้า่กาก็ลวกเก้าอ่ายังนั่งสมาธิอยู่เปล่าครับอ่านั่งนะนั่งไปเรื่อยเรื่อยนะอ่าก็ขอให้ดีขึ้นตามลำดับนะอ่อ่าอเกสีกับพระสวยนี่อาเนโมทนศาสตร์นคะ ตอนนี้ยังยังขายของผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยอะนะขายดีมั้ยก็ตามเศรษฐกิค่ะใคาอยากได้หินมงคลติดต่อเขานี่เขาขายหินมงคลเขาเรียกหินมงคลนี้ว่าอะไรนะอัญมณีอัญมณีอ่าคือเสียสุดยากไปอีกต่อ อก็เป็นกันบ้างจ้ะอันนี้จังอันนี้จังทุกอย่างมันก็เป็นข้อสอบจก็ในเวลาที่แบบเกิดอารมณ์กระทบในใจทุกครั้งเนี่ยมันมันชัดขึ้นระหว่างไอ้ทิศตัวที่มันเป็นปัญหากับตัวมารคมันชัดขึ้นสู้กันถ้ามาร์ชก็สงบะถ้ากีเลชนะก็ทุกมาร์ชัดเขึยงแต่มันยังไม่ได้ชนะแต่ว่าออ่ที่ความสงบ มันจะขึ้งเร็วกว่าเองหยิบซีดีให้หนูไปแผนให้หนูหนูหยิบซีดีให้หนูไปแผ่นข้างหลังมันไปพยายามต่อใช<อ>่ไหมทำไปเรื่อยๆต่อไปมักก็ต้องชนะ <c oughs> ทำย่อมชนะอธรรมเสมอตอนนี้ทำมีกำลังน้อยกว่า <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีกำลังมากกว่ามันชนะอารรมเสมออธรรมก็คือกิเลสมักก็คือทำทำกับกิเลสเท่กัน มีอะไรบ่าอยากมาอาบน้ำมากใช่อืมที่อยู่เชียงแ้ก็เดงนย่ากงบปเตอร์เปีเตอร์หนูก็แค่จะขอการบ้านไปปฏิบัติต่ออ่ะการ ที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ซึมซับเองก็ขอแรกก็ต้องสร้างสติให้มากๆเหมืนพุทโธเหมือนเจริญสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปเนี่ยไปควบคุมความคิดให้จมายกับว่าถ้าในสมาธินก็สงบดีแต่ว่ากรรมฐานเรื่มตาเรื่มตาก็มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเรา เช่นหมาใช่หมมาตายไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราข้าวของที่เราไม่อยู่สักวันหนึ่งมันก็จากเอาไปแล้วเราก็จากมันไปที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าเหมือนกับว่าเออในสมาธิภาวาดีต่างกันนะ ตัหนูจะเอามาสอบในทอ่การที่มันเจอเจอใจความใจความเวลาทําสมาธิมันเป็นการทําการบ้านเป็นการซ้อมมันจะต้องเจอข้อสอบเวลาเจอคนเขาด่าเราเนี่ยถ้าเขาด่าแล้วเรายิ้ยมบอขอบใจอะไเนี้ยีดีคุณเจ้าค่ะดีมากเลยของคุณจะแบบเรากับเสียงด่ามันก็แค่เสียงนี่นะกาสอนว่าถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีเราก็คือดีแล้วก็ยังไม่ฆ่าเราถ้าก็ฆ่าเราก็ดีแล้ ว, ลวจะได้หมดเวรหมดกรรมเหมือนเน่ยเออตั้งลองเออเออคิอย่างนี้แล้วจะสบายใจจะสอบผ่านคือใจจะเฉยไงใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เสียใจมีเรามีเขาก็ยังมีเรื่องอยู่ทั้งหมดเขาหมดเข่าก็ก็เราไปหลงเองเออเขากับเราก็เดียวกันร่างกายเหมือนกัน ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันออนั่งคุยกันนะเจ้าคะที่นั่งเสียใจอยู่นั่งเสียใจเพระสัญญาแทาคนความทรงจําภาพต่างๆอะไรเนี่ยนะะก็นั่งคุยกันแล้วก็ช่วยกันเพราะว่าอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับปัจจุบนัน ป, ปัจจุบันด้วยแล้วก็ที่ไปยึดไปติดมันด้วยไปอยากมันด้วยไปคิดถึงอดีตที่ทําให้เราไม่สบายใจเพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันปัจจุบันก็ยังทุกได้อยู่ปัจจุบันถ้ามีความอยากมันก็ยังทุกได้จิตใาที่อยากอย่าไปอยากกับอะไรยินดีตามมีตามเกิดก็มีสองอุบายห้นที่ติความดีที่เราเคยทำไว้กับเขาหรือว่าอันที่สองก็คือเหมือนกับคิดถึงความดีของเขาดีกว่าเราจะได้ไม่โกรธเขาเจะได้ไม่โกรธตัวเรา อ่าไม่โกรธตัวเราเพอาพี่เขาเสียใจเสียใจว่าถ้าเราได้ทําอย่างนั้นจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคืของพี่ของเขาเอาอแลเอามาเป็นบทเรียนกันแล้วนั้นข่าวหน้าก็ทําให้มันดีขึ้นกันแล้วแล้วห น, นู ก, ก็เลยคิดถึงโทอตัวเองว่าไม่ได้สติว่าเออพี่คือบอกพ่อว่าอยากกลับบ้านมาตั้งหลายวันขอนูอยู่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้แฟนเขากําลังมีปัญหาที่ทํางานพ่อก็เลยบอกว่าให้อยู่กับมัน เป็นกำลังใจก่อนอแต่พอหมาตายนี้แบบกลับบ้านมาได้ทันทีเลยแค่หมาโดยเดียวตายรักหมาจริก็บรักพ่อ <c oughs> ใช่เ <c oughs> มื่อคิดแบบว่าตัวเองแล้วแบบพ่อที่รักลูกนาอยยอมเสียสละแบ บ, บบว่าเข้าใจว่าครอบครัวนี้แล้วพ่อก็มาพูดอีกวันหนึ่งว่าแค่พ่อตื่นขึ้นมาแล้วได้เห็นลูกนอนเล็นกัน พ่อก็มีความสุขแล้วก็หนูก็บอกเออคิดว่าแบบหนูก็แบบสเทือนใจแล้วบอกว่าเออคือหมา ก, ก็คือตายไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยที่เราต้องทําให้ดีที่สุดตรงหน้านี้ะขนาดนี้หนูก็แบบพาพ่อไปทําบุญทําสังฆาแล้วก็พาพ่อไปทานอาหารที่พ่อชอบแล้วก็พ่อก็มีความสุขก็แค่นี้เท่านั้นที่ที่เราทําเอาใจพ่ออย่าไปขัดใจพ่ออย่าไปบังคับพ่อ เมื่อก่อนหนูก็เคยเชื่อทําไมพ่อต้องเป็นอย่างนั้แต่ตอนนี้ก็คือคิดว่าแล้วทำไมเราต้องอยากให้พ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆคือกับมาดที่ตัเราเองอันไหนที่ทําให้เ้ามีความสุขใกล้ก็ทําไปอแต่หนูก็ยังว่าหนูว่าเออตามใจเงี้ยตอนนี้ก็บอกว่าพ่ออายุเจ็ดสิบห้าเราเปลี่ยนแปลงพ่อไม่ได้แ่ะวพ่อชอบยังไงก็ให้พ่อชอบไปให้เขามีปิกๆดีแล้วแหอะ ขอะการสะานกงจะเราลที่พระจ้าท um> ี่พระเจ้าบอกว่าให้หนูมีสติมีชีวิตประจำวันข้อสอก็ให้ใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้อารมณ์ทําแล้วก่อนจะพก่อนจะก่อนจะทำอะไรคิดก่อนมาทําแล้วเกิดผลดีแล้วเกิดผลไม่ดีถ้าเกิดผลไม่ดีถึงแม้จะเป็นความอยากของเราแล้วก็อย่าทํา ถ้าเกิดความเสียหายก็อย่าทําดีกว่าไม่ว่ากับเราหรือกับคนอื่นขอโอกาสกับได้แสงแรงเป็นพงงให้มีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาชีวิตไปสู่สุขตินะใหอมีสุขภาพแข็งแรง มีใครอยากจระถามอะไรไหมไม่มีก็เอาทางบ้านต่อคาถามจากคุณพินตอนแรกว่าจะไปสวนมนข้ามปีแต่ไม่ชอบสวนมนข้ามไม่ไปจะเป็นอะไรไหมคะชอบนั่งมากกว่าถ้ า, ม ไ, ามไม่ไปนั่งสมาธิข้ามปีแทนก็ได้ <laughs> <laughs> ดีกว่าสวนมนข้ามปี <laughs> <laughs> มการสวนมนก็เป็นการฝึกสติ นั่งสมาธิก็เป็นการทําใจให้สงบมันเหนือกว่าส่วนมนไปนหนึ่งขั้นนั่งสมาธิได้จิตก็จะสงบส่วนมนมันยังไม่สงบคำถามจากคุณนันทิดาเวลามีเรื่องทุกข์ใจแล้วอยากทําบุญจะได้บุญไหมคะได้เวลาทําบุญก็ย่อมได้บุญแต่บุญนี่อาจจะไม่มีกําลังพอที่จะดับความทุกข์ใจก็ได้ถ้าความทุกข์ใจนี่มัน นีกำลังมากกว่าบุญที่เราทำถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายต้องไปทำลายต้นเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากของเรานี้ถ้าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปคำถามจากคุณพิงค์พรดิฉันได้ทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำอยากทราบว่าผลบุญที่ทำจ ะ, จะได้อะไรคะ ต่อไปมันก็จะได้ความสงบไงได้ความสุขตายไปก็ได้ไปสุคติเนี่ยแต่ต้องทำมากมากนะมันเหมือนปลูกต้นไม้เนะ่ะปลูกวันนี้ต้นไม้มันยังไม่ออกดอกออกผลหรอกปลูกแล้วก็ต้องคอยขยนันรดน้ำพรวดินอยู่เรื่อยๆคอยป้องกันวัชพืชว่าสัตว์อะไรต่างๆที่จะมากัดกินต้นไม้แล้วเดี๋ยวพอต้นไม้มันจะเติบโตเต็มที่มันก็จะออกดอกออกผลให้ตอนนี้ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอก ตอนนี้กำลังสร้างเหตุกันอยู่เวลาที่เรารักษาสีนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่ยังไม่ได้ผลถ้าได้ผลเนามันจะเกิดความรู้สึกตา่างใจเราจะเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนธรรมดากลายเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาอันนั้นนะถึงจะได้ผลถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ถือว่ากําลังเป็นกําลังกำลังสร้างเหตุอยู่ถ้าไม่สร้างเหตุมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีแคนสร้างไปเรื่อย จะได้ผลหรือยังไม่ได้ผลอย่าไปกังวลขอให้เราสร้างเหตุไปเรื่อยๆืเดี๋ยวถึงเวลาเหตุมันก็จะผลมันก็จะตามมาเองเหมือนปลูกต้นไม้อะคอยปลูกแล้วก็คอยดูแลรดน้ำมันไปเรื่อยๆืเดี๋ยวถึงเวลามันก็ออกดอกออกผลให้เราเองแต่ถ้าเราปลูกแล้วทิ้งมันไว้ไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ตายนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวเบื่อก็เลิกนั่งไปทาอย่างอื่นแทนนี้ นั่งบ้างไม่นั่งบ้างมันก็เป็นใบแบบล้มลุกคุกขานผลมันก็จะไม่ค่อยเกิดถ้าเกิดมันต้องต่อเนื่องต้องสม่ําเสมอและเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะเกิดภายในชาตินี้ได้ถ้าทําแบบงานทีปีผล ท, ทําทีมันก็มันก็ต้องสะสมไปหลายหลา ย, หลายร้อยชาติอ่ะถึงกว่าจะกว่าจะได้ผลคําถามจากคุณสม ข้อที่หนึ่งการสวดมนต์ถ้าไม่ได้สวดที่หน้าหิ้งพระแต่ที่หัวนอนมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์สามารถสวดบนบนที่นอนได้ไหมคะถือว่าบาปไหมคะไม่ได้สวดที่ไหนก็ได้สวดในห้องน้ําก็ได้เพียแต่อย่าออกเสียงก็แล้วกันเดี๋ยวคนเขาได้ยินแล้วก็จะว่าเหรอแต่การสวดนี้สวดเพื่อหยุดความคิดเราเท่านั้นเองงั้นจะสวดที่ไหนสวดได้เท่านั้นถ้าเราต้องการใจให้สงบไม่ให้คิดอะไรสวดได้ทุกิริยาบท ทุกขั้นตอนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่ก็สวดไปเลยพุทโทธธรมโอสังโฆหรืออะไรอาบน้ําก็สวดไปกินข้าวก็สวดไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวดไปไปทํางานนั่งรถไปทํางานก็สวดไปแต่ให้มันอยู่ในใจอย่าอย่าส่งเสียงออกมาอย่าให้คนเขารู้ว่าเราสวดเนี่ยเราไม่ได้สวดให้คนอื่นเขารู้เราสวดเพื่อให้ใจเราไม่คิดฟุ้งซ่านอันนี้ก็จะทําให้เรามีสติ แล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆสวดไปแล้วดูลมไปตอนจิตก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขนข้อที่สองการยืนดูเขาจับปลาโดยที่ไม่ได้ห้ามและเมื่อเขาไปประกอบอาหารไปรับประทานบาปไหมเจ้าคะเขาบาปหรืเราไม่บาปเราไปดูเฉยๆบาปตรงไห น, นใช่ไหมถ้าเราไปดูเหมือนเขาไป ไปสั่งเขาเรยว่าสั่งให้เขาทำแล้วพอเขาได้ปลามาเขามาปิ้งมาย่างแล้วเราก็ไปกินกับเขาอย่างเงี้ยบาปถ้าเราสั่งแต่ถ้าเราไม่สั่งเราไม่มีส่วนร่วมถึงแม้เขาฆ่าแล้วเอามาแบ่งแล้วเรากินล้วก็กินได้ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาทำให้เราก็แล้วกันคา ถ, ถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ส่วนใหญ่โยมจะฝากอาหารและปัจจัยเขาไปถวายพระแทนไม่ได้ไปทําด้วยตัวเองซึ่งจะรู้สึกไม่ปรับลื่นเท่าที่ไปทําเองอยากทราบว่าอันนี้สมของบุญจะเท่ากันไหมคะก็ความรู้สึกมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราถวายกับตัวเองเราเห็นชัดเจนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่แต่ถ้าเราฝากเข้าไปบางทีเราอาจจะคิดลังเลสงสัยเอย้มันไปทําให้เราหรือเปล่าอ่ะ <บ>ความป่าเพิ่มมันก็หายไปความกังวลมันก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนไว้ใจได้หรือเราอย่าไปสังเดี๋ยวเราอย่าไปกังวลคิดว่าเราทำไปแล้วเขาจะาไปทำที่ไหนหรือไม่ทำก็เราถือว่าเราได้ทำแล้วอย่างงั้นเราก็จะได้บุญเหมือนกันเมื่อทำแล้วเราปล่อยอย่าไปกังวลกับมันคำถามจากคุณก๊อ เวลานั่งสมาธิแล้วมันคิดไปเรื่องโน้เรื่องนี้จะคุมสมาธิยังไงครับก็ต้องพุทโธไงนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องมีพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธไปสวดมนต์ไ ป, น ม, นไปมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ตอนต้นอาจจะคิดบ้างมันก็แข่งกันเราก็อย่าไปสนใจมันจะคิดอะไรก็อย่าไปสนใจเราก็สวดไปแล้วก็พุทโธไปเดี๋ย ว, วมันก็หยุดเองคําถามจากคุณวิสูต์ ผมเคยสร้างกรรมชั่วมานับไม่ถ้วนเหตุเหตุนั้นการที่ผมมาปฏิบัติธรรมนี้จะช่วยให้พ้นกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ได้ทำมาแล้วหรือไม่ครับถ้าเราหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าถ้ามีคู่เวรคู่กรรมมาเจอกันตอนเป็นมนุษย์เขาก็ยังมาฆ่าเราได้ถ้าเราเคยไปฆ่าเขา แต่ถ้าจะไม่ไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมเลยก็ต้องไปเป็นพาาาระอรหันต์เหมือนองคคุลิมานเนี่ยองค์คุลิมานเนี่ฆ่าคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมที่ได้ไปฆ่าคนมาก็าะจะไม่กลับมาเกิดนั่นเองถ้าจะใช้ก็ใช้เฉพาะชาติที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งองค์คุลิมาก็ได้ยินว่าเวลาไปที่ไหนเชาวบ้านเขาจําหน้าได้เขาก็จะก่อนเห็นเครงใส่ ต้องถามจากคุณพานุวัฒน์ปัจจุบันนี้หลวงพ่อยังมีความโลภโกรธหลงบ้างหรือเปล่าครับมีมีทุกอย่างเต็มหัวใจเลยมีมากกว่าโยมอีกเองแต่ไม่ทุกข์กับมันเท่านั้นน่ะมันโลภ ก, ก็ก็รู้ว่ามันโลภแต่เราไม่ไปทุกข์กับมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีคิดแบบนี้โลภแบบนี้ไม่เป็นไรเข้าใจไหมแต่โลภแบบต้องได้เงี้ยมันจะทุกข์เวลาไม่ได้ยังโลภอยู่แต่โลภแบบ โลแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีกันอย่างวันนี้อยากให้ไม่ยอมอยากให้โยมไม่มากันเลยแต่โยมมาฟ้าก็ดีไม่มาก็ดีถ้าไม่มาได้ก็ดีถก็ไม่มาเราจะไม่ต้องพูดไมได่อะไรจะได้สบายอันนี้ก็เรียกว่าโลบอ่ะโลบได้โกรธได้แต่อย่าไปทุกข์กับมัน เวลาจะโกรธใครไม่พอใจก็โกรธได้แต่อย่าไปทุกร้อนใจกับมันไม่พอใจได้บางทีพูดกับมันฟังไม่รู้เรื่องก็โกรธเหมือนกันพูดปากเปลี่ยปากขีมาฮะฮะอย่ <c oughs> แสดงว่าเป็นเพียงแค่อาการใช่ไหมครัอ่ามันมีกิริยามันแต่มันไม่ได้ไปเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้ไปโกรธแค้นโกรธเคืองจะเอาเป็นเอาตายกันอะไรนั้นไม่มีเหมือนพระอาารตอบ คำถามแบบทางอ้อเลยนะครับเหมืเฉลยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ถามมาก็ตอบไปคนจะไปคิดงานกันเรื่องของเขาอะไรเอาพูดจากใจจริงอ่ะไม่เป็นอย่างนี้่ถามมายังโลภ ก, ก็กโลภอยู่เหมนนแต่ไม่เสียใจถ้าโลแล้วไม่ได้ไม่เสียใจได้มาก็ไม่ดีใจเฉย คำถามจากคุณแอนทีฉันเคยทํากรรมชั่วมามากโกหกคนอื่นโกหกพ่อแม่จะเป็นบาปมากไหมคะทําแล้วก็บาปนะถ้าทําบาปนก็อย่าไปทําต่อไปสิถ้ารู้ว่ามันบาปอย่าไปทำํำอย่ากี่ากโกหกหัดพูดความจริงซะต่อไปมันก็จะไม่ทําบาปหมดแล้วเหรอใน เ, เวลาเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวกําลังพิมพ์อยู่ไม่รู้นะมีคำถาม คนใหม่มาก็ถามสิยังรออยู่นี่เกล้ารู้สึกว่าปฏิบัติค่อยมค่อยแบบก้าหน้าอ่าก็ปฏิบัติน้อยไปหนึ่งแล้วอาจปฏิบัติไม่ถูกสองแทนต้องศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็อย่างที่บอก ขั้นแรกก็ต้องรักษาใจต้องมีสติคอยควบคุมความคิดก่อนอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยเพ้อเจอ้อตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเราจะเห็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นใจจะว่างขึ้นเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นอารมณ์ต่างๆมันจะน้อยลงไปอันนี้สองต้องทําให้มากๆทําทั้งวันนี้ ตื่นขึ้นมาถ้าทำพุโทโธได้ทั้งวันรับรองได้ว่าจะเห็นผลทันทีเลยจะเห็นความแตกต่างในชีวิตเลยวันวันหนึ่งเราปล่อยให้ใจคิดปล่อยให้ใจไปแบกเรื่องราวต่างๆด้วยความโลภความอยากต่างๆอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้กินแล้วก็ทำให้ไม่สบายใจขึ้นมาอย่าไปคิดคิดไปป่วยกัน เขาในโลกทั้งหมดนี่อย่าไปอยากได้เลยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นสู้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่าเข้าใจไหมเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาอย่าทำอะไรทำให้น้อยที่สุดนั่งให้มากไม่เชื่อลองทดลองเอาเก้าอี้มาตัวมานั่งแล้วบอกว่าไม่ลุกจากที่นี่สักหกชั่วโมงเดูอน ตอนนี้กำลังนั่งเครื่องบินไปไปญี่ปุ่นหรือไปที่ไหนไม่ต้องไปทําอะไรนอกจากไปฉี่เนทะ่นั้นถ้าปวดฉี่ก็เดินข้าห้องนะเดินใจก็กลับมานั่งต่อเหมือนนั่งเครื่องบินนะลองลองนั่งแล้วถ้ามันฟุ้งซ่านกับพุทโธพุทเทว์มันอย่าให้มันฟุ้งถ้าฟุ้งแล้วมันจะทรมานถ้ามีพุทโธพุทเทว์ไว้มันก็จะสงบแล้วมันก็จะไม่ทรมานแล้วมันก็จะนั่งได้ การปฏิบัตินี่เพื่อมาฝืนความอยากอย่าทําตามความอยากความอยากนี่มันพาเรามาเวียนว่ายตายเกิดพาเราไปหาความทุกข์กันอย่างโชคโชนมาแนละ้วเราต้องหยุดมันอย่าไปทําตามความอยากลองทําเป็นพักๆสู้กับมันพักๆเอาสักครั้งละหกชั่วโมงดูเอาเก้าอี้นั่งสบายๆสบายไม่ต้องทรมานร่างกายต้องการทรมานความอยากเนทะ่านั้นอยากนั่งตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้น พอไปตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้มันก็อยากอยู่เรื่อยๆเราบอกไม่ต้องอยากผมนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงแล้วก็ใช้พุทโธช่วยช่วยเหี่ยเวลามันจะคิดมันจะอยากก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือนั่งดูลมหายใจไปสวดมนต์ไปเปลี่ยนสลับกันไปทำไงก็ได้ให้ใจมันไม่เครียดกับการนั่งเฉยๆถ้าใจถ้ามันความอยากมันหยุดตรงไปแล้วมันจะเบาเลยมันจะโล่งเลย ความอยากนี่มันยอมแพ้ได้นะถ้าเราไม่ทําถ้าเราสู้กับมันเนี่ยพอมันทําอะไรสั่งเราไม่ได้มันก็ยอมมันก็หยุดอยากพอหยุดอยากนี่เราจะรู้สึกโอ้ยเบา อ, อกเบาใจเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกนะเราจะนั่งอย่างสบายฮนั่งเฉยๆมันยากตรงไหนวะถามจริงนะไปปีนเขามันยากกว่าก็ยังปีนกันได้นะนั่งเฉยๆมันจะไปยากตรงไหนทําไม นั่งไม่ได้ไมันลูกไปสิวาเราเก่งไม่ใช่ละใครอยากใครว่าเก่งๆนี่ลองมานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงนึงไม่ต้องทรมานร่างกายไม่ต้องนั่งขัดสมาธินั่งสบายนั่งบนเก้าอี้แต่ห้ามหลับนะห้ามนั่งหลับให้มันตื่นรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สู้กับความอยากที่อยากจะลุกไปทํานูน่นทํานี่นให้ไปได้อย่างเดียวก็เข้าห้องน้ํา้าหิวน้ําก็เอาน้ํามาตั้งไว้ใกล้ๆเนะี่ย ให้ดื่มน้ำได้อย่างอื่นไม่ให้ทําทั้งหมดไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ฟังอะไร mm. ถ้าทําได้แล้วโอ้ใจเบาขึ้นเยอะแยะเลยตัดความอยากไปได้ธรรมะาใช่ถ้า เ, าเออถ้าช่วงปฏิบัติทำข้อสอบก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้น mm. เอาเอาธรรมะในใจเรา mm. เอาสติเอาปัญญามาเราสู้กับมันสติ mm. ญญก็คือพูดโทพูดโทไปปัญญาก็ใช้เหตุผลไปทาไมไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ดี ไปแล้วได้เลยไปมาไปมาอยู่นี้ตลอดชีวิตแล้วมันได้อะไรบ้างมันถูกหลอกให้มันใช้เราตลอดเวลาทีนี้เราจะสู้มันเราจะฆ่ามันยฆ่าความอยากถ้าเราไม่ทําตามที่มันอยากเนี่ยมันก็หมดกําลังพอมันหมดปั๊บเราจะรู้สึกความเครียดหายไปเลยมันเหมือนคนสองคนชักกระเยาะกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งปล่อยแล้วเป็นไงเบาเลยใช่ไหมแต่ส่วนญาเรามักจะปล่อยมากกว่ายอมมันมันก็เบาเหมือนกัน ไปทําตามที่มันอยากแอ้วเดี๋ยมันก็เครียดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่อีกยังต้องสู้มันให้มันตายไปเลยให้มันยอมแพ้แล้วเราเร า, เราอยากไปยอมแพ้มันแล้วน่าหกจ๊กหกชั่วโมงมันจะรู้เองใครแพ้ใครชนะมันจะรู้เองหรือสูสีหรื อ, อยังยังยังยังเอาฟัดกันอยู่ แต่มันจะทาให้เรามีกําลังใจโอ้เราอยู่เฉยๆได้ตั้งหกชั่วโมงนะไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนมีใครเคยทำํำนั่งเฉยๆหกชั่วโมงเนี่ยก็มีเวลานั่งเครื่องบินเหมือ น, นั่งสิบสองชั่วโมงก็ยังนั่งกันอยู่เองแต่ว่าเขาก็มีของมาล่อใจให้ลืมมีขนมให้กินมีอะไรให้ฟังมีอะไรให้ดู <TV S 1> อเอาสมัยก่อนที่เราไปนั่งทำไมนั้นไม่มีนะมีแต่อาหารนั้น เออตอนนั้นหนังไม่มีดูมีแค่พอขึ้นเครื่องเขาก็อาหารมาเสิร์ฟเสรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ให้นอนพอตื่นขึ้นมาก็ถ้ายังมีเวลาก็ให้ของกินอีกถ้าไม่มีเวลาก็ให้เตรียมตัวลงจากเครื่องอ่าถามต่อท้องถามจากคุณจุลิน เวลาที่จะนั่งสมาธิทำไมมันเหมือนหายใจไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรคะเพราะกิเลสไงพอจะดูหนังนี่หายใจคล่องพอจะนั่งสมาธินี่กิเลสมันออกมาขัด <c oughs> ขัดขวางทันทีเลยมันไม่อยากให้เรานั่งสมาธิกันเพราะเวลานั่งสมาธิกิเลสมันมันทำอะไรไม่ได้กิเลสมันถึงไม่ชอบการนั่งสมาธิ พอจะนั่งสมาธินี่เกิดอาการต่างๆขึ้นมาแน่นอกแน่นท้องปวดหัวอะไรขึ้นมาร้อยแปดพันประการแต่รานั่งดูทีวีนี่ไม่มีเลยอคล่องแคล่วว่องไวอย่างนั้นทนเอาอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปสนใจกับอาการมันหลอกเรามันสร้างหลอกเราเรื่อนี้มันไม่มีความความเป็นจริงหรอกมันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกับร่างกายเราเลย มันหลอกเราอยู่ภายในใจนั่นเองแต่พอเราพุดโทพูดโธไปสักพักพอมันสงบมันก็จะหายไปหมดคาถามจะคุณป้อมนะครับการที่เราโดนคนทำร้ายจิตใจเราแต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นกันและต้องยิ้มให้กันแต่ในใจของเราไม่มีความสุขทุกครั้งที่เห็นทำอย่างไรดีคะที่เราจะไม่รู้สึกแบบนี้ตอนที่โดนทำร้ายครั้งแรกดูคิดเลย ไม่ดีกับเขามากๆแต่ไม่ได้ทำแค่คิดเท่านั้นค่ะอยากทราบว่าจะเป็นบาปสิดใจไปอีกนานไหมคะที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากจะร่างแค้นอยากจะให้เขาเจ็บเหมือนเราเขาทำเราเจ็บเราก็เลยอยากให้เขาเจ็บพอเราเขาทาให้เจ็บเราทํเราทำให้เขาเจ็บไม่ได้เราก็เลยไม่สบายใจองคติจ้าสอนว่าเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวน ถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบเราต้องให้อภัยเขายกโทษให้เขาไปหรือคิดว่าเป็นการใช้นี่ไปก็แล้กันชาติก่อนหรืออดีตเราอาจจะไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยมาทําให้เราไม่พอใจบ้างก็คิดว่ากบหนี้กันไปคิดอย่างนี้แล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเขาถ้ายัางอยากจะให้เขารับโทษจากการกระทาเราก็จะ ยังไม่สบายใจถ้าเห็นว่าเขายังไม่ได้รับโทษอย่างอย่าไปอยากโทษมันมาเองเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็รับใช้โทษของเขาไปแต่เราตอนนี้กําลังทุกข์เรามาแก้ความทุกข์ของเราดีกว่าแก้ความทุกข์ด้วยการแผ่เมตตาเนี่ยเนี่ยเวลาจะแผ่เมตตาไม่ชอบแผ่กันชอบไปแผ่เวลาไม่ให้แผ่นั่งคนเดียวไปแผ่นั่งสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตานั่งสมาธิก็แผ่เมตตามันแผ่ให้ใครมันไม่มีใครรับเนีลย แผ่ตอนที่มีคนลับสิแผ่ตอนที่คนทําให้เราทุกข์เนี่ยการแผ่เมตตานี้เป็นการดับความทุกข์หรือเปล่าตอนที่ไม่มีความทุกข์ไปแผ่มันทําไมมันแผ่ตอนที่มันมีความทุกข์สิทุกข์เพราะอยากให้เขาเจ็บเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาให้อภัยเขาพอเราให้อภัยเขาปับ๊บเราก็หายทุกข์การแผ่เมตตานี้ไม่ใช่เพื่อเขาเหรอกเพื่อเรามากกว่าเพื่อให้ใจเราสงบหายโกรธหายเกลียดให้ หายเครียดแค้นหายอาฆาตพยาบาทคำถามจากคุณก๊อปตั่งสมาธิไปนานๆ <c oughs> มันปวดเมื่อยแล้วจะขยับตัวได้ไหมครับถ้าไม่ขยับได้ก็ดีเพราะเราต้องการให้ใจนิ่งถ้าขยับใจก็จะไม่นิ่งใจต้องทํางานงั้นอย่าไปสนใจความเจ็บปวดของร่างกายพยายามพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วมันจะหายปวดเองมันจะดีกว่าขยับ พอมันจะหายแบบสบายใจถ้าขยับแล้วมันกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปตั้งไปตั้งหลักใหม่เหมือนวิ่งมาถึงครึ่งกิโลอา้าววิ่งกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ไปไม่ถึงไหนถ้าทนวิ่งต่อไปแล้วเดี๋ยวจิตสงบมันก็มันก็ไปได้ไกลไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เวลาเราขยับนี่ก็เหมือนกับกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วอันนเวลานั่งแล้วอย่าไปขยับอะไรทั้งสิน้นให้จิตมันสงบ ถ้ามันไม่สงบก็นั่งต่อไปจนกว่ามันจะสงบถ้าสงบก็ถือว่าเราได้หลักชายละไปถึงหลักชายหลักหนึ่งแนละ้วถ้าเรายังไม่สงบแล้วเราเลิกก็แสดงว่าเรากลับมาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนั่งข้าหน้ามาเจอตรงนี้ก็หยุดตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆพอเจอความเจ็บก็เลิกขยับมันก็กลับไปเริ่มต้นใหม่เวลามันเจ็บก็อย่าไปสนใจมันเวลาดูหนังปวดฉี่ยังทนดูได้มเข้าใจไหม ไม่อยากจะรู้ไปเข้าห้องน้ำเพราะเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูไม่ทันละหนังะทำไมทนได้เวลาจะทนมันทนได้ขอให้ใจมีอะไรยึดทั้ง น, นเวลาดูหนังมันก็ไม่รู้สึกปวดเวลาปวดก็ไม่สนใจดูอยู่กับหนังมันก็ไม่ทรมานเวลาเจ็บที่ร่างกายเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปอยู่กับความเจ็บถ้าอยู่ความเจ็บแล้วมันจะทรมาน ให้อยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันลืมความเจ็บไปได้แล้วมันก็จะหายปวดหายทรมานแล้วมันก็จะถึงหลักชัยหลักหนึ่งมันมีหลายหลักทำไปเรื่อยๆหมดแล้วยังอสองอ่ามาอนังดีอีกสองพอละองถามจากคุณเชิดชัย อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องความสุขเสมอความสงบไม่มีครับก็ต้องเจอมันถึงจะรู้นะต้องทําจิตให้สงบนั่งสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่าเราเราจะเห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงอันนี้สิปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นยังต้องต้องปฏิบัติถึงจะเห็นด้วยตัวเองเห็นแล้วก็จะไม่สงสัยเห็นแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไป คำถามจากคุณดาราพี่พระจาย์บอกให้นั่งเฉยๆหกชั่วโมงถ้าเรานั่งบ้างเดินจงกรมบ้างให้ได้หกชั่วโมงได้ไหมเจ้าพระไม่ได้อยากให้นั่งเฉยๆอย่างเดียวแล้ว <c oughs> ถ้าจะเดินก็เดินหกชั่วโมงเลยก็ได้ <c oughs> เอาอย่างได้อย่างหนึ่งมันมันจะหลอกเราเลยอยู่ตรงนี้มันก็อยากจะไปตรงนู้นอยู่ตรงนั้นมันก็อยากจะมาตรงนี้นั่งก็อยากจะเดินเดินก็อยากจะนั่งมันก็ยังหนักมันก็ยังอยากอยู่เราต้องการดัด ความอยากเขานี่ไหก็เป็นต่อเนื่องไปเลยได้ไหมได้กชั่วโมงเลยให้มันล้มไปเลยแต่นั่งน่าจะยากกว่าอา น, น, นั่งยากาาก็ลองดูสิ <laughs> มันไม่แน่นอเดินอย่างมากก็ขาหลุดชั่วโมงนี่มันหลายกิโลนะปกติเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงนึงได้สามกโลอย่างน้อยสามสี่กิโลหกชั่วโมงก็ยี่บสี่กิโลเนี่ยเดินอย่างนี้ไปถึงพัทยาเนี่ยเอาสิอยากจะเดินก็ได้หกชั่วโมง หมดแ้ใช่ไมรับอ่าอายุหนึ่งอ่ะคำถามจากคุณนารยาอยากทราบว่าจะมีวิธีใดที่จะบอกจิตให้อยากให้อยากอยากสงบได้ไหมคะเพราะทุกวันนี้นั่งสมาธิมีแต่ความอยากสงบค่ะก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงมันเวลานั่งก็ใ้อยู่กับพุโทโธพุทโธไปจะสงบก็ดีไม่สงบก็ดีให้คิดอย่างนี้ <Yeah. S 1> ถ้าอยากแล้วมันจะไม่สงบ mm hmm. หรือถ้าไม่มันไม่สงบก็จะเสียใจ แต่ถ้าเราขอให้เราได้พุโทโธก็พอถึงแม้ไม่สงบเราก็จะมีความสุขว่าอย่างน้อยเราได้พุโทโธหรืออย่างที่บอกขอให้นั่งสักหชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอให้ได้นั่งหกชั่วโมงแต่เรานั่งหกชั่วโมงได้เราจะมีความภูมิใจโอ้เราเก่งเลยสามารถอยู่เฉยเฉยได้หมดแล้วนะหรือมี <laughs> อ่าเข้ามาคําถามจากคุณวิสุทธ ถ้าหากเราซื้ อ, อยาฆ่ า, มาแมลงให้คนสวนเพื่อให้คนสวนฆ่ า, มาแมลงเองจะผิดหรือเปล่าครับผิดเพราะเราไปสั่งเขาเนี่ยหวนแล้วเนี่ยออ่าถามเออเมื่อ ก, กี้พี่อาจารย์พูดถึงเรื่องนั่งแล้วมีเวทนาค่ะอ่าตอโยมเคยนั่งนั่งสมาธิขัดเพศแล้วพ อ, อเข้าชั้นโมที่สองเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีเวทนากล้ามากแต่ว่าตอนนั้น เวลาที่โยมดูที่ใจใจมันใจมันเบาๆนิ่งๆมันมันไม่ได้รู้สึกแต่แต่ในความรู้สึกตรงนั้นคือเราเจ็บก็ไม่รู้สึกก็นั่งนั่งได้ต่อไปเลยถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีความรู้สึกแล้วมันมันไม่อยากนั่งนะคือคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าใจเนี่ยมันเบามันรุ่งโลมันเบาก็ดีก็ไม่ต้องไปทําอะไรไิ่ไปทําอะไรนะมันเบาเราจะไปทํำมันหนักทําไมก็ปล่อยมันเบาไปเรื่อยๆเลย นั่งไปเรื่อยๆถ้ามันเบามันสบายก็ต้องนั่งต่อได้ถ้ามันนั่งต่อไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่เบาแล้วมันหลอกเราว่ามันเบามันคิดว่ามันเบาแต่ความจริงมันไม่เบาหรือมันเกิดความอยากไม่อยากนั่งขึ้นมาเราถ้าเราต้องการชั่วความอยากเราก็อย่าไปอย่าไปลุกอาให้มันไม่เกิดความอยากจะลุกก่อนแล้วค่อยลุกแต่ก็ต้องคอยดูมันหลอกเราเปล่าว่ามันไม่อยากจะลุก มันชอบหลอกเ็าเรื่อยนะตัวนี้มันลายการมันเสือซ่อนเล็กเลนะตัวนี้ทีเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ